ครั้งนั้นเราหนอ่อบพชินสีโพธิสัตว์ได้เสวยพระชาติเป็นพระเจ้าจักรพรรดิมีพระนามว่าพระเจ้าวิชิตตาวีเนี่ยนะมีกำมลปภาสาธาในสำนักของพระโกนธัญญาพระพุทธทศพลได้บำเพ็ญมหาทานเป็นอนเนกนานประการสมเด็จพระบรมศาสาดาจารย์ได้ตัดพยากรทำนายเราว่าจะได้ศัตรู้เป็นพระเจ้าทรงพระนามว่าสมณโคดมในนิยมอย่างยิ่งตรงนี้ก็คือมาพิจารณาอย่างนี้แล้วก็จะเห็นนั่น เห mm ็นคนของพระบรมศาสดาว่าพระบรมศาสดาเนี่ยเห็นมาถึงเนี่ยถึงเน่โกนธัญญาพระพุทธเจ้าเนี่ยนะคือพระพุทธเจ้าที่ว่าอยู่ในสาระเนี่ยอยู่ในกลับในกลับที่บอกว่าสารักับมีหนึ่งพระองค์ไงที่ท่านบอกว่าอาทาสีตีหทุเพโทโกนตัญโยนามัญยาโก สัพพธรรมเมยสมโมสัพพารมิตาขโมพระสัมมาสมพุทธเจ้าพระนามวโกณทัญญาพระองค์นี่สูง8ปสศอกทรงเป็นผู้นำทรงเป็นผู้ไม่มีบุคคลเสมอได้ทำทั้งปวงทรงถึงความเป็นผู้มีบรารมีทั้งปวงแล้ววัะสสตาสห า, สานี อายุตัสสมเหสีโนโมเจ ต, ติโสสพภาพยาสะทาโสทิงกะโรตุโนทรงแสวงหาคนุณนันยิ่งใหญ่ทรงมีพระชนมายุหนึ่งแสนขอพระองค์ปโปรดปลดเปลื้องข้าพระองค์ทั้งหลายพ้นจากทุกทั้งปวงโปรดกระทำความสวัสดีแด่ข้าพระองค์ทั้งหลายทุกเมื่อเถิดเนี่ย อันนี้มีหนึ่งพระองค์นะต้องคิดดูนะว่ากว่าจะมาถึงพระพุทธเจ้าโกลทัญญาหนึ่งเนี่ยว่างมืดสัตว์โลกทั้งหลายก็ละหกระเหินโดยมากพวกเราเนี่ยอยู่กันแถวนั้นนะ่ยก็สูงสูงต่ำต่เนี่ยนะสูงสูงต่ำต่ำตำกันวนเวียนวนเวียนมาก็นี่ก็ผ่านหนึ่งองค์แต่พระโพธิสัตว์ทั้งหลายท่านก็ไม่เคยถอดเลยเนาะไม่เคยถอดบา ร, รมีออกจากตนเองไม่เคยถอดพุดทธคุณไว้จากตนเองเลยเนะี่ยท่านก็ตั้งมั่นในคุณของ พระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างเหนียวแน่นพอสมัยต่อมาก็มาถึงสารามันดกับทรงมีพระพุทธเจ้านเนี่ยนะสี่พระองค์ที่บอกขั้นสิ้นศาสนาพระโกนธัญญาพุทธเจ้าแล้วร่วงการสิ้นสารากับขั้นสาระกับร่วงไปแล้วก็มาเกิดอสงไข่หมากับที่สองเป็นสุญญาอสงไขยกับต่อจากภาคาสงไข่หมากับที่สองสิ้นไปแล้วเนี่ยการนั้นมีสารามนดกับอันหนึ่ง บังเกิดขึ้นมีพระพรมศา ส, สดาอุบัติเกิดขึ้น4ี่นะสุมังคระพระองค์หนึ่งสมณาณะพระองค์หนึ่งเรวตตาพระองค์หนึ่งแล้วก็โสพิตาพระองค์หนึ่งสี่พระองค์ 1. ด้วยกันจักได้มาตรัสในลําดับสารมดากับนี้พระสุมังคระพระพุทธเจ้าเนี่ยนะแท้จริงประวัติท่านมีเยอะนะมาย่อๆตามคัมภีร์เนี่ยดีวยกว่านะก็ในการนห่งพระสุมังคระพระพุทธเจ้านั้นได้อุบัติเกิดขึ้นในโลกแล้วคั้นถึง มีภาษาวกสนิบัดแบ่งเป็นสามการในปัถมการมีสาวกประชุมกันแสนโกดทุติยาการก็สาวกพันโกดตติยาการก็90โกดไม่ต่างกันเนี่ ย, ยแต่ถ้าโพธิสัตโต ส, สุริจินามะพรหมโนหน้าการนั้นพระบรมโพธิสัตว์ได้เสวยพระชาติกำเนิดในตระกูลพระมหาสารทรงพระนามว่าสุรุจิพราม สุรุจีพรามเนี่ยวันหนึ่งได้ดอกไม้ไปถว า, ายนมัสการสดับธรรมมีคาถาในสำนักของพระสมมงคระพระพุทธเจ้าก็การาบทูลนรัตนาว่าสเสววางไม่หังพิกเวฆาคค า, า, า, าถาบอกว่าพระพุทธเจ้าข้าวันพรุ่งนี้ข้าประบาทขอรขัตนาพระองค์เนี่ยไปรับอาหารบิณฑบาตของข้าพระองค์ได้เถิดพระสมมงคระพระพุทธเจ้าก็รับสั่งถามบอกว่าดูก่อนพรามณ์ ท่านมีความต้องการสงสักกี่รูปสุรุจิพรามก็ภิกษุสงสาวกบริวารของพระพุทธเจ้ามีประมาณเท่าใด พ, พ ร, ะระพุทธเจ้าข้าพระสมังกระพระพุทธเจ้าพระสงบริวารของตถาคตทั้งสิส้นแสนกฎรูป ด, ด้วยกันเขาบอกาศาสนาพระพุทธเจ้าพระ อ, องค์นี้กว้างมากบอกกว้างไปถึงแสนโกจารวาลหนึ่ง อู้น่าคิดมากอันมาไม่คิดมุมอื่นนะมุมที่อานมาคิดแล้วอานมาไปอยู่ตรงไหนอทําไมไม่มีวัฒนธรรมงพระอง อ, องกระจายถึงฮัทช์หาไทยก็อันมาบ้างหนงทําไมอันมาไม่บรรุไปเสียอันมาคิดอย่างนี้ทีไรโอ้ยทําไมได้แต่ทําไมทําไมอะสงสัยไม่สงสัยทําแบบเนี้ยถ้าทําแบบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดอาจริงอาจริงเนี่ยนะเคยคิดไหม แสดงว่ากระแสพรธรรมเนี่ยลาดลดกระแสขันเราในยุคนี้ก็คนแสนโกรธเข้าไปแล้วแล้วหนึ่งในนั้นเนี่ยทําไมไม่มีเราสักนิดเลยติดไหมสักนิดหนึ่งอะเนี่ยให้ได้กระแสแบบรุนแรงมานะกระแสแบบรุนแรงขนาดว่าอ่านพุทธพจน์หนึ่งพยัญชนะเข้าใจพุทธพจน์ทั้งสิ้นก็ไม่เคยเกิดเลยนี่คืออะไรเกิดขึ้นในนี้ย ท่านในปัจจุบันณชาติจะมัวประมาทอยู่อะไรจะเกิดขึ้นกับเราท่านทั้งหลายคิดไหมเนี่ยถ้ายังเล่นๆห ล, ลับๆตื่นๆกันเยอะแล้วอะไรจะเกิดขึ้นนะเนาะต้องกล่าวคิดใหม่จริงๆนะเนี่ยตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนี่ทีนี้รสจีพราหมณ์นะ่สุรสจีพราหมณ์ก็ข้าพระพุทธองค์ขอราตนาพระพุทธองค์กับมาสองแสนโกด โ, โนี่ถวายทาน ท่านถวายทานยิ่งใหญ่มาแต่ก่อนอาลมาไม่เคยเห็นนะเขาถวายทานแก่สงเยอะๆมีอยู่ข้างหนึ่งไม่รู้ใครมาจำไม่ได้หรอกเขาบอกเขานิมนต์พระเนี่ยพันห้าร้อยลูกในยกนั้นนะพันห้าร้อยลูปนี่ถือว่ามากแล้วใช่ไมอามาก็อยากจะเห็นพระห้าร้อยเป็นต้นพระหนึ่งพันเลยใช่ไหก็มากับเขานั่งรถมากับเขา โหเยอะจริงในในกรุงเทพนี่แหละไม่รู้ที่ไหนไม่รู้ไม่ทราบว่าใครเนี่ยไม่รู้ใครจำได้บ้างหรือรเปล่าเลยว่ามาแลมาวากับเขานั้นเนี่ยมาดูเอามามาเลยไหมอยากเห็นอยากตื่นเต้นเห็นความประชุมพร้อมกงนของสงฆ์ก็ก็ก็ได้เห็นแต่อย่างว่านี่ไม่เหมือนในตำลาในตำลานี่เงียบใช่ไหมอันนี้ไม่ค่อยเงียบเท่าไหร่อันนี้ไม่ค่อยเงียบเท่าไหร่ สมเด็จพระสุมังคระาศาสดาก็ทรงรับราธนาพรามพราหม์ก็ถวายบังคมลาแล้วมาสู่เรือนแล้วก็ลําพึงว่ายาคุพัตตาทีนิทาตุงสักโกมิพัสดุทั้งหลายที่จะตกแต่งเป็นยาคูพัตและผ้ากาผ้าถวายแด่ภิกษุสงฆ์แสนโกรเท่านี้ของเราจะมีพอถวายทั่วองค์ใดก็แต่ที่จะแต่งตั้งอาสนะที่ตั้งถวายพอนี้แล จะอัตคัดคับแคดขัดขวางนักเราจะทําชั้นใดดียังคิดไม่ออกเลยนะศรัทธาไปก่อนนะศรัทธาไปก่อนกลับมายังจะต้องมาดูสถานที่เนาะจะต้องมาคิดมาอะไรต่างๆเหล่านี้ยนะท่านบอกว่าเมื่อพระแสนโกรธเนี่ยเราพอจะถวายทั่วองค์ใดก็แต่ที่ใดๆจะตกแต่งเสนาถวายพอที่นี่แหละ จะอัตคัดคับแคบขัดขวางนักเราจะทาชั้นใดเมื่อพุทังกูลโพธิศัสตร์วิตตกอยู่ด้วยประการฉะนั้นด้วยเดชอำนาจของพิณิหารทานบารมีนะบรรดาลร้อนถึงบรรทุกกมพลศิลาอาจเท้าสะกะทนไม่ได้คนมีบุญเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยยอมลองตำรีทำบุญใหญ่ๆดญดยทีู่เท้าสะกะจะร้อนอาจวางไหม ลองดำริด้วยนะน่าคิดจริงๆนี่ก็ตรงนี้ก็คือสมเด็จสุชัมบดีนะทราเทพเธอคำหนึ่งดูก็รู้เหตุพระบรมโพธิสัตว์รู้จิพราม์เนี่ยนะนะคือคนบา ร, รมีระดับนี้แล้วระดับเลยสิผกสงไขแล้วคิดดูใช่ไการดำริในลักษณะนี้เป็นเรื่องปกติแล้วที่จะต้องเดือดร้อนนะนะคนมีบุญทั้งหลายต้องมาช่วย <c oughs> ตรงนี้ก็คือว่า กวิตกก็ปูอาสนายพอแกสงสนโกรธลงนะในการนี้ก็ควรที่เราจะต้องลงไปส่งเคาะในบุญกรรมนั้นดําฤิดําฤตอย่างนั้นแล้วจอมสุทัศก็ถือเพศเป็นช่างไม้มือก็ถือขวานมายืนปรากฏอยู่ตรงหน้ามีแค่นี้เป็นช่างไม้ถือขวานว่าอันถ้าอย่างเราเห็นทำไงแต่เอางี้ คนมีบุญมองคนมีบุญมองออกไหมเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยถ้าคนมีบาปมองคนมีบุญคิดออกไหมก็เหมือนเราอ่นานว่าตไปดอกเนะี่ยถ้าบุญน้อยอ่านก็อยู่แค่นั้นแหละอ่านอะไรอ่านนิจจาอวตสังขาราอุปาดวยธรรมีโนอุปาชิตวาเนโรชันติแต่สังสสโวปะโสโสยังแปลไม่ได้เลยแปลได้เลยนะสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนาะมีการเกิดขึ้นและดับไปเป็นธรรมดาเนะ การก็ไปสงบระงับดับสังขารเหล่านั้นเป็นศพว่างั้นได้แค่นี้นี่จะขยายจบพระตรีวิตรก็ขยายไม่ได้จะขยายลงอลริยสัจก็ไม่ได้เหรอไหมนี่บุญน้อยงั้นถ้าเรารู้ว่าบุญน้อยต้องทํำยังไงนอนร้องไห้อ้ อ, อนวอนขอบุญไม่ใช่แล้วใช่ไหมต้องเร่งเพียรในการพยายามในการที่จะไขว่คว้าจเจริญบุญจริงๆเนี่ย น, นั้นถ้าคนมีบุญเนี่ยถ้าวันใดวันหนึ่งถ้าบุญเราดีนะคิดอะไรออกหมดเลย ณนะตอนนี้ถ้าคิดอะไรไม่ออกอย่าพึงเสียใจให้เร่งเร่ ง, รงความเพียรกันไว้ต่อไปเดี๋ยวคิดออกนะนะเข้านเข้านี่อ่านคํานํานะอ่านแค่พุทธพจน์คาถาแรกเลยนะเข้าใจา ย, ยันคาถาสุดท้ายอะ่ะอันนี้เรื่องจริงนะพอจะยินคําว่าทเวเมเพกเวอันตาปปปิจเตนานาเซวิตาภาโยยายังกาเมสุกามาสุ ข, ขันลิกาอยฮินโนคัมโมโบทุจเนโกอนนายอนัสานิตโตจบได้เลย พูดแค่นี้เราต่อได้จบเลยขยายได้จบเลยแต่ตอนนี้จําไม่ได้ก่อนเนาะแต่ต่อไปนะความความรู้ความเข้าใจจะแตกฉานขึ้นเห็นไหมอันนี้สงฆ์เขาทำไปเยอะอย่าแปลกใจคนมีบุญมองคนมีบุญหอนอ่องงั้นถึงจะแปลงเพศเป็นอะไรมาเนี่ยนะถือขวานเล่มเล็กๆมาโอ้โหเนี่ยคนนี้มีบุญแต่เราดูถูกท่านนั้นท่านหนีหนีไปสง่งเลยเนี่ยเสียเลยคนมีบุญ น, น่ะหนีออกจากกราไปเยอะแล้วนะ บางทีมาเกี่ยวข้องนี่นะคนมีบุญนะมาเกี่ยวข้องกับเราเนี่ยพอเกี่ยวข้องไปเกี่ยวข้องมาบุญเราไม่ถึงท่านก็เดินหนีไปเนาะนี่เราจะทอดใครเนี่ยโทดบุญมันน้อยไปนะตอนนี้พระพุทธเจ้าเริ่มหนีเราหรือ ย, ยังเนี่ยท่านปรินิพานไปแล้วเนาะเดี๋ยวสาวกของพระพุาหลายๆองค์ก็พากันทยอยหนีทยอยห น, ยยหนีแล้วก็เฝ้าเลยเนี่ยยุ่งเลยใช่ไหมตรงนี้ก็คือว่า ถ้าโ พ, พธิสัทว์ริจีพราหม์เนี่ยราตนาประสงค์กับพระสั พ, พัญยูแล้วบัดนี้วิตกด้วยจะปูอาสนายพอแก่พระสงค์แสนโกรธองนะการนี้ควรที่เราจะต้องลงไปช่วยสงเคราะห์บุญกรรมนั้นดํามดินแล้วก็ท่านก็เป็นช่างไม้มาว่างั้นเถอะแล้วก็ถามว่าอัตติโกอัตสสีว่าท่านผู้เจริญใครต้องการจะทํางานสิ่งร้มีบ้างหรือไม่พราหมณ์ท่านจะกรับจ้างทางานสิ่งร้าบออินทรวัตตกีก็บอกขึ้นชื่อว่าศิลปาศาสตร์ร ส, สิ่งร้ที่ข้าพเจ้าไม่ได้รู้เชี่ยวชาญนั้นไม่มีเลยว่าง การทําโรงล้านโรงเรือนหรือมณฑปใครจะจ้างทําสิ่งใดๆข้าพเจ้าย่อมทําได้ทุกประการถ้าเช่นนั้นก็ดีแล้วการที่จะทําของเรามีอยู่สิ่งหนึ่งอินทวัตตกีข้าแต่จเจ้าการที่สิ่งไรท่านจงบอกแกข้าพเจ้าเถิดเป็นต้นแล้วเนี่ยนะดูก่อนในช่างบัดนี้เราได้นิมนต์ประสงค์มีองค์พระเจ้าเป็นประธานประมาณแสนโกดเพื่อจะรับบิณฑบาตอาหารในวันพรุ่งนี้ด้วยนะ โอ้โหอีคนมีบุญนี่เอาอะไรเป็นปัจจัยทําให้ท่านรับอาราธนาท่านเออทําให้ท่านอาราธนาพระพุทธเจ้าบุญเก่าท่านด้วยเนาะแล้วท่านมั่นใจนะว่าท่านต้องทําให้เสร็จยคนมีบุญเนี่ยก็มีความมั่นใจเรื่องกุศลสูงก็เหมือนวันนี้นะไม่รู้เป็นอะไรนะเขาบอกว่า เนี่ยช่วงเหตุการณ์เดืดอดร้อนอย่างเงี้ยเดี๋ยวไม่มีคนมาฟังทำไอ้มาบอกว่าก็ลองดูก็บอกยอมก็คุยกับยอมใช่ไหมยอมก็บอกเมส่งส่งข้อความไปอะไรต่างๆไม่รู้จะมีคนมาฟังหรือไม่ไอ้มาก็บอกไม่เป็นไรแล้วคนมีบุญก็เด้แล้วก็ได้ฟังอย่างใช่ไหมแล้วก็แล้วก็มีมาพอสมควรจริงๆใช่มไหง <laughs> น้อยมองไปนี้ก็เห็นยอมสว่วนแล้ มอย่างนี้ก็แสดงก็เห็นไหมเนี่ยสแสดงว่าใช่ไหมถึงยิ่งสถานการณ์เลวร้ายอย่างไรก็แล้วแต่คนมีบุญทั้งหลายเนี่ยเขาชุมนมที่ไหนเขาไปกันที่นั่นแหละเขาไม่ค่อยตกใจหรอกคนมีบุญเนี่ยเพราะคนมีบุญนี่เขามั่นคงในบา ร, รมีธรรมใช่ไหมเขาไม่ค่อยตกใจได้ง่ายๆหรอกเขาทําได้ไงในส่วนจริงเขาก็เกิดความมั่นใจแต่นั้นก็บอกว่าถ้าเช่นนั้นข้าองค์ก็รับท่า้าท่านก็รับเนี่ย ด้วยกำลังแห่งเทพศักดานุภาพบรรดาภพมิสถานนะ่ประมาณสิบสองถึงสิบสามโยน์ก็เลี่ยนเตียนราบลื่นมีพื้นเสมอกันเป็นดีสักกรินโกสีก็ดำาริในระหว่างที่ประมาณเท่านี้มหาบนดบเนี่ยนะเป็นแก้วเจ็ดประการจงบังเกิดมีดำาลิแล้วก็ทอดพระเนตรใน น, นาทีนั้นบนดบแก้วอันใหญ่ก็ทำลายพื้นดินผุดขึ้นมาดันดีเนี่ยนะเนี่ย นี่เป็นอย่างเงี้ยนะเออแปลกนะใครลองลองลอ ง, ลองดูดิลองทําบุญใหญ่ๆด้วยนะไอ้มันเนี้ยไอมาเห็นมาเยอะและ้วคนที่ทําบุญใหญ่ใหญ่อะไรทั้งหลายเนี่ยนะทําแล้วสาเร็จทุกคนขอยตั้งมัน่นทําเดี๋ยวลอ ง, ลอ ง, ลองทําดูดิเคยเห็นมาเยอะและ้วบางคนอี้ไหวหรือมาออามาลองเอาไหวโย่ทำไปแล้วเขาก็ตั้งจริงนะ น่าเข้านัาเข้าเดี๋ยวคนนั้นช่วยคนนี้ช่วยเอาไปรอดทุกรลาเป็นเป็นอย่างนั้นการการทำบุญอะไรต่างๆใหญ่ๆเนี่ยเพราะอยู่ตรงที่ตั้งใจมุ่งมั่นถ้าต้องการที่จะทำจริงๆอย่างเนี่ยทำได้นะแต่ก็แต่มันจะค่อยเป็นค่อยไปนะค่อยเป็ น, ค, ปนค่อยไปและกำลังใจที่มันถมเข้ามา ความมุ่งมั่นในในการโถมเข้ามามันจะค่อยมีพลังแล้วก็บุญกุศลมันจะเกื้อหนุนไปเรื่อยๆนะเข้าในเข้าก็จะเจอคนดีเจอสิ่งแวดล้อมที่ดีเจอมิตรเจอสังหายที่ดีอะไรต่างๆในสุดจริงๆมันก็ไปมันจะได้นี่นะคนที่ทั้งตั้งใจดีก็จะเป็นไบรลักษณะางเนี้ยมันจะค่อยๆมารวมรวมรวมๆกันเนี่ยนะจะเป็นลักษณะคนที่เคยสั่งสมบุญบารมีอะไรทั้งหลายเนี่ยนะมันจะค่อยๆมาเนี่ยไอ้เรื่องบารมีทํามันเหมือนเหมือนแม่ดเหล็กไง เป็นเหมือนแม่เหล็กนะมันจะดูดสิ่งที่ดีๆมามนเนี่ยในนักเข้านะเข้ามันก็ทำอะไรบรลุบรลุเป้าหมายมาเแปลว่าความตรงมุ่งมั่นตรงนี้แต่มันมีข้อแม่อะไรรู้ไมมีข้อแม้ให้เป็นไปกกุศลอย่งเงี้ยให้เป็นไปกับกุศลอย่าให้บาปมาแทรกเมื่อเป็นไปในลักษณะอย่างเนี้ยในที่สุดจริงๆก็คือว่าเสาและคือแห่งมหาบนดกก็ประดับสลับกันแล้วก็เป็นไปด้วยแก้วเงินและแก้วทองเป็นต้นเหล่านี้นะ เชิงจานลายรอบมนดบนั้นก็มีระบายตาไข่แล้วก็เรียงรายเนี่ยนะแล้วก็แก้วและทองห้อยอยู่ระยับสลับกันไปมาพอดีในเวลาล้มอ่อนมารำพึงก็เสยนาสนะเนี่ยนะสำเนียงดังกังเวนแล้วมีดนตรีทิพในที่ระหว่างเป็นต้ น, นัวนี้คนมีมีบุญทั้งหลายเนี่ยเวลาเขาเห็นพระเจ้าเวลาเขานิ้มบนพระเจ้าเนี่ยเขารู้ไง ระดับพระพุทธเจ้าก็รู้ว่าท่านผู้นี้เป็นพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ก็รู้ว่าท่านผู้ น, นี้เป็นพระพุทธเจ้าและพยากรณ์เราใช่ไหมแล้วบุญที่ท่านทํามาอย่างยาวไกลในสังสารวัฏถ้าท่านนิมนต์พระพุทธเจ้าอาราธนาพระพุทธเจ้าไปเนี่ยนะแล้วพระพุทธเจ้าดะบุญขนาดนั้นใช่ไหมลองที่บวกบุญของตนเองกับบุญของพระพุทธเจ้าก็ลําดับแค่พระพุทธเจ้าอย่างเดียวก็ใช่ไหมถ้ายัางอาถรมารศึกษารู้ข้อมูลขนาดนี้นะ ถ้ามีพระเจ้าหนึ่งแสนรูปหรือหนึ่งโกด์นี่เนี่ยอาตมาก็กล้านิมนต์ถ้าอรรมาเป็นขอทานอรรมาก็กล้านิมนต์นะถ้ามารู้คําสอนเนี่ยอัจยาใส่กันมามาเป็นอย่างเนี้ยอัตมาก็กล้านิมนต์เพราะอัตมารู้ว่ามันจะต้องทําได้ใช่ไม่ใช่แต่ถ้าไม่รู้ข้อมูลกล็ไม่กล้าแต่ถ้าคนรู้ข้อมูลเนี่ยกล้าทําไมจะไม่กลา้าใช่ไม่ใช่เพราะคนเขามุ่งมั่นในการที่เขาจะทำตรงนั้นทําไมจะไม่ได้ใช่ไม่ใช่ ทีถ้าอย่างเราเนี่ยถ้าไปอย่างทุกวันนี้ไม่กลา้าเอาสมมติจะมีนิมนต์พรปัจจุบันไปเนี่ยถ้าเป็นทศเสารโลกอย่างนี้ไม่กลา้าเอามาไม่กลา้าทําไมถึงไม่กลา้าหนึ่งหนึ่งบุญในปัจจุบันไม่ถึงสองบุญผู้มาก็ไม่ถึงเหมือนกันสมมตินะทั้งสองบุญนะบวกกันแล้วผลปรากฏแล้วไม่พอเอามาก็เลยไม่กลา้าแต่ถ้าระดับพระเจา้าถ้าอามารู้คําสอนจริงๆนะเนี่ยมากา้ากล้าที่จะทําเนี่ยนะ อันนี้เขาเรียกว่าเห็นบุญแล้วกล้าทําไมจะไม่กล้าใช่ไหมคือในระดับนั้นนั่ะก็สมควนนะในที่สุดจริงๆก็ทําสิ่งต่างๆให้พร้อมอาสนะสมควรพร้อมที่ต่างรองเท้าแล้วก็ประมาณแสนโกรธบังเกิดขึ้นนะภายในมหามนดรมนดบนั้นตํำลี่แล้วก็ทอดพระเนตรไปในมหามนดรอาสนะสงครบจํานวนทุ่นแสนโกรธก็บังเกิดขึ้นพลันเลยภัยบณ์ แล้วก็มีตุ่มน้ําใหญ่ๆเต็มไปด้วยน้ําใสนะตั้งไว้ตามมุมมหาหมนต์ดบขันเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งประสงค์แล้วก็กลับมาบอกแก่พระมหาบรุษลุจิพราหมณ์นั้นเอหิอายะบอกข้าแต่ท่านบัดนี้มหามนดบที่ข้าพเจ้าทําเสร็จแล้วท่านจงไปดูก่อนกลับมาแล้วจงให้ข้าจ้างแกข้าพระองค์เถิดมหาบุรุษได้สดับแล้วก็ดีใจใหญ่รีบจรดนไปทอดพระเนตรดูนะก็เห็นแล้วก็เลื่อมใสโสมนัสมีกมวลเต็มด้วยปีติทั้งห้าก็ ทรงวิจารณญาณสื่อไปก็แจ้งว่าสักเกนายังมันตะโปกโตบว่ามหามุญดรประดับได้งามประการตาเห็นปานนี้มนุษย์ไหนก็จะทำได้หรอฉลอยเท้าสหาสนายออุดมอุตสาหะเสด็จมากระทำความอุตสาหะาแก่ธมาเป็นแน่แท้ว่าจินตนาการสื่อไปได้ความงามของมหามุดรนั้นเน่ยยัางงามถึงเพียงนี้ว่างั้นนะอาตมาจะถวายแด่พระสงฆ์มีองค์พระสัพพัญยูเป็นประธาน แต่ณเวลากาณวันเดียวเท่านั้นไม่สมควรแต่แล้วว่างั้นนะพอพิจารณาไปอย่างนี้แบบจาเราจะต้องอา ร, าราตนาพระบรมศาสดาถวายทามสื่อไปเจ็ดวันว่างั้นโอ้โหงามขนาดนี้ใช่ไหมเสียดายมันดบอ่ะมันดบงามขนาดนี้มีพระเจ้ามาประทับแป๊บเดียวได้กลับเนี่ยไม่คู่ควรแล้วก็รัตนาเจ็ดวันเลยว่างั้นเลยดำริแล้วครั บ, บรมโพธิสัตว์ก็บริจาคทรัพย์อีกประมาณสองเท่า ในสองเท่านั้นก็บำเพ็ญมหาทานแด่พระสงฆ์วันละหนึ่งแสนโกศ1หนึ่งแสนโกศนะครบทวนเจ็ดวันโอ้โหได้ทำบุญขนาดนั้นอันมาแต่ก่อนเนี่ยมาแปลกใจเขาบอกว่าแค่ทานบา ร, รมีเนะี่ยมนุษย์ในแสนโกศจักรวาลเอารวมกันเลยนะเอาเฉพาะทานบา ร, รมีนะไม่เท่ากับทานบา ร, รมีของพระพุทธเจ้าแต่ก่อนนี่คิดไม่ออก ตอนนี้คิดออกแล้วพอเห็นพอเริ่มศึกษามารยาหลังเนะี่ยมานี่ศึกษามากพอเรื่องของพุทธคุณเนี่ยนะศึกษาจนอ่านได้นิดเดียวก็ต้องหยุดอ่านอ่านได้ยุดนิดเดียวก็ต้องหยุดอ่านเดี๋ยวเนี้มาตรึกลองลองอ่านลองศึกษาพุทธคุณให้ให้เต็มห้องหัวใหจด้วยนะท่านทั้งหลายญาติโยมลองอ่านลองศึกษาจริงๆด้วยแล้วแล้วอ่านไปได้ไม่มากหรอกใจมันเต็มก่อน ห้องใจเรามันเล็กพุทธคุณอะมากมันจุไม่พอได้นิดเดียวก็เต็มนิดเดียวมันก็เต็มใช่ไห ม, มแล้วก็ต้องค่อยระบายออกแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงจริงไนะอยากจะขยายห้องใจให้ใหญ่กว่านี้จะได้บรรจุพุทธคุณได้อีกสักนิดนึงเนะอย่างเราท่านทั้งหลายเนี่ยนะก็ระลึกถึงคุณของพระเจ้า ยิ่งศึกษาคนควาฝังบธรรมเกี่ยวกับพุทธกถาพุทธคุณคัถามากมากคือแล้วเราจะเห็นคุณของพระบรมศาสดาอย่าเบื่อหน่ายในการฟังพุทธกถาพุทธคุณคัถาเพราะถ้าเราเบื่อหน่ายในการตรึกในการระลึกพุทธคุณเมื่อใด น, นะการเข้าใจในบัธรรมมันก็ลดน้อยลงนั่นดีฉะนั้นก็ศึกษาคําสอนคุณเจ้าเรื่องพุทธคุณเนี่ยแสดงไปเถอะบางค น, นฟังจนชีวิตนี่จะหาไม่ก็ไม่หมดใช่ไหมพุทธคุณเนี่ย ถ้าเราไม่อิ่มในพุทธคุณเนะี่ยไม่มีพุทธคุณอยู่ในห้องหัวใจเราท่านทั้งหลายเลยเนี่ยมันเสียหายการเกิดมาในชาติเนี่ยเมื่อสักครู่ก็ยังปลาโอบตอนที่จะเข้ามาปลาโลบยอมยิงงานเดี๋ยวเขบอกว่าเนี่ยกลัวผู้ฟังเนี่ยนะกลัวญาติยมทั้งหลายจักไม่เข้าใจพุทธประสงค์ในการฟังในสัมภาระวิบากนี่มาก็เห็นเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะหลายๆท่านก็ไปเข้าใจโอ้โหพุทธคุณเนี่ย เมื่อฟังและศึกษาไปแล้วไม่มีอะไรมากจริงๆกว่างั้นนะก็เป็นเรื่องเล่าเป็นเรื่องราวต่างๆสู้ไปท่องปฎฐานดีกว่าบางคนคิดอย่างนั้นเลยนะเ hey, ฉตุปัจโยรามานาปัจโยทีปฏิปัจโยหรือไปเรียนธรรมะทีละเอียดลึกซึ่งต่ๆๆมางๆธรมาบอกนั่นแหละมองข้ามเอ า, ายังคุยกับโยมบอมองข้ามแล้วพุทธคุณนี่มีความสําคัญมากๆมากกว่าเพราะว่าการไม่เข้าใจพุทธคุณนั้นจะไปเข้าใจธรรมะหมวดอื่นนั้นมันยากแลย ฉะนั้นเราท่านทั้งหลายถ้าเราสืบค้นในการที่จะดูเห็นคุณของพระบระมศ า, ศาสดาตรึกในคุณของพระบระมศาสดาได้เนี่ยให้สังเกตว่าเรานั้นน่ยใจของเราเต็มในพุทธคุณหรือไม่เราสามารถเดินพุทธคุณได้เป็นชั่วโมงไหมถ้าไม่ได้สามสิบนาทีได้ไหมถ้าไม่ได้สามสิบนาทียี่สิบเอ้สิบนาทีอ่ะบางคนห้านาทีคิดพุทธคุณไม่ได้แปลว่าเรามีปัญหาดังจิตใจลเลยนะใจของท่านพิการแล้ว ถ้าคิดพุทธคุณห้านาทีคิดไม่ได้เนยท่านพิการใจได้นั้นี่ยแสดงว่าท่านจะเข้าถึงคําสอนพระเจ้าลาบากแล้วฉะนั้นต้องคิดพุทธคุณให้ได้ยาวไกลได้ได้เป็นชั่วโมงได้เมื่อไหรนั่นแหละท่านถึงจะมีความเข้าใจในว่าธรำในหมวดอื่นๆได้อย่างละเอียดอย่างลึกซึ้งอันพุทธคุณเนี่ยจเจริญยากสําหรับคนที่คิดไม่เป็นแต่เมื่อจเจริญได้สักครั้งสองครั้งแล้วหนักเข้าเนี่ยไอ้ร่องรอยของการจเจริญพุทธคุณนั้นเนี่ยจะท่วมทับจิตใจ ท่านทั้งหลายเนี่นะนี่ก็เหมือนกันท่านถวายทานบารมีท่านเกียรตัไหมว่าท่านถวายวันละแสนโกทุกทุกวันนะนะขบปริโยสารเป็นต้นเหล่านี้คันวันอวสานที่สุดแห่งการเลิกนั้นลุสุริจิสุริจิจจพามงพระมิสัตว์ได้ถวายผ้าและเพสัจทานแล้วชำระปัตตะบริขารแล้วใส่ให้เต็มด้วยน้ำมันนะ เนยใสเนยคนน้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อยสิ้นแล้วแสนโกรบาทใสเพสเพสสัตวบริขารนี่นะคือสรุปก็คือว่าพระไตรจีวรก็แสนโกรธเห็นไหเพสสัตว์บริขารก็แสนโกรแล้วเกี่ยวในเรื่องของเสนาสนะก็แสนโกรอาหารการบริโภคนั้นนะวันละแสนโกรบาทเห็นไมเจ็ดวัน ก็ลองนั่งนึกบุญของท่าน เ, เถอะว่าจะมากมายยิ่งใหญ่สักเพียงไหนน้อเลยแล้วไม่ใช่ให้แบบคนไม่รู้เรื่องบุญนะท่านรู้อโลภาทานเจตนาทานวิรติทานท่านรู้วัตถุทานเป็นอย่างเดียวฉะนั้นทานของท่านนะ่ยยิ่งใหญ่ไพศาลมากไตจวานผ้าบริวารท่วนแสนโกไตรล้วนประกอบไปด้วยมีค่ามากแต่พระไตที่ไม่สู้งามเนะีถึงแก่สงนวกะ ผู้บวชใหม่นะที่นั่งอาสนะยังควรค่าถึงแสนดำลึงเนี่ยเขบอกว่าบอกว่าพระที่ถือว่าเป็นพระนวากาเลยบวชในวันนั้นเน็ตเนะนั่นแหละราคาหนึ่งแสนเนราคาหนึ่งแสนจะป่วยเก่าวไปใาญ่ถึงตรายจีวรถวายแด่พระผู้ใหญ่หรือพระบรมศาสดาเป็นต้นครั้งนั้นบรมโพธิพ ร, ระพุรุเจา้าสมังคาราพระบุรุเจ้าเมื่อทรงกระทำ พัฒตานุโมธนาคาพิจารณาว่ามหาพรามผู้นี้มาบำเพ็ญอมิสมาหาทานนั้นยิ่งใหญ่หนักชนี้จะเป็นประการใดหนอก็ทรงทราบด้วยพยานทุกประการว่าโปรดประทานพุทธบยากรตะวังโคตโมพุทธวิสติดูก่อนมหาพรามการล่วงไปในานาคตการกำหนดได้สองอสงไขยยิ่งด้วยแสนมาขากับจากนี้ไปการนั่นแหลท่านจะได้ตัดสรู้เป็นพระสัมมาสูรมุขเจ้านามว่าพระโคดม ในพัตกำอันจักมีในที่สุดสองอสงไขยแสนกับนั้นไปโซพยากระนังสุตวาบอกฝ่ายพระหมาบุบรุษสุรุจีพราหมาพราหมณ์เนี่ยนะได้สดับพุทธบุตกรแล้วก็ปรีดาปรีติว่าโพธิสมภารเราเที่ยงแล้วบัดนี้เราจะประโยชน์อันใดด้วยคารวาสวิสัยคันแล้วพระหมาโพธิสัตว์ก็สละ ทรัพย์สมบัติอันไพ่บูรณ์ไม่ได้อะไรออกบันประชาในสำนักของพระพุทธเจ้าสุมังคระศาสดาได้อุตสาหะบำเพ็ญคันทะและก็สมถัรมฐรานวิปัสสนากรรมฐานสําเร็จอภิญญาสมาบัติไม่ให้เสื่อมเสิ้นพระชนแล้วก็เสวยสุขในพรหมโลกเนี่เห็นไหมนี่คือการแสดงการการที่ท่านเกิดในยุค ข, ของสุมังคระพุทธเจ้าที่ท่านบอกว่า อัทาสีติรตนาณีอาจคะโตชูตินดาโรมังคโรนามสัมบุธโธนาวติสาหศสายุโกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ามังคระพระองค์สูงแปดสิบศอกงไว้ซึ่งความรุ่งเรืองมีพระชนมายุแปดก้ามืนปี ชพันรังศโยดาซาสหัสโรกัาตุโยพรันตาตาสาชาเทนตีเอสาโสถิงกโรตุโนพระชาพันนรังศีของพระองค์แผ่ไปปกคุมถึงหมื่นจักรวาลนะถึงแสนจักรวาลนะ ขอพระ อ, องค์โปรดกระทำความสวัสดีแด่ข้าพระ อ, องค์ทั้งหลายในการทุกเมื่อโดยเธอสาธุสาธุาอ่ะพักกันก่อนดีมหม